ปัญหาข้อที่7อธิบายและ่อตอบปัญหาเรื่องผีบังตาทำให้คนอื่นมองไม่เห็นหรือถ่ายรูปร่างกายบางคนไม่ติดติดแต่สิ่งของรอบตัวได้มีจริงได้แค่ไหนอย่างไรปัญหาข้อที่7ตัวหายในหนังสือการติดต่อทางวิญญาณ หน้าส3สาได้มีข้อความกล่าวไว้ว่าหนึ่งสัปดาห์ที่ดิฉันได้พบท่านเมคแดงเป็นครั้งแรกดิฉันได้ช่วยให้อาเธอผู้สามีมานั่งในการเข้าทรงด้วยกันเราได้ดึงม่านลงปิดสนิทเพื่อไม่ให้แสงสว่างภายนอกเข้ามาได้และก็นั่งบนเก้าอี้สองตัวซึ่งตั้งอยู่ตรงกันข้ามกันอาเธอนั่งบนเก้าอี้ตัวใหญ่ซึ่งบุหนังหนาดิฉันนั่งเก้าอี้ตัวเล็ก ซึ่งเป็นเก้าอี้ไม้สลักเป็นลวดลายเป็นรูปโปรง่งเราได้นั่งหันหน้าเข้าหากันในความเมื่อยอยู่ครู่หนึ่งและพักหนึ่งก็ปรากฏเป็นแสงสีทองสุกสว่างส่องแสงอยู่เบื้องบนศีรษะของดิชันและปกคลุมร่างของดิชันไว้คล้ายๆกับไฟฉายขนาดใหญ่ในโรงละครฉะนั้นและในทันใดนั้นเองอาเธอก็ร้องขึ้นมาว่าอา้าวเธอเปไหนเสเล่าเอสเทล ดิฉันไม่เข้าใจว่าเขาหมายความถึงอะไรกันแน่เพราะดิฉันก็รู้ตัวดีว่าไม่เดือดรุกจากเก้าอี้ไปไหนเลยจึงคิดเอาเองว่าอาเธอคงจะแกล้งล้อดิฉันเล่นจึงตอบไปอย่างค่อนข้างจะ ง, งุ่นงิดสักเล็กน้อยว่าดิฉันไม่ได้ไปไหนเลยเพราะยังนั่งอยู่ที่เดิมอยู่ตลอดเวลาอาเธอพูดตอบกลับมาว่าไม่มีแน่นอนทีเดียวเก้าอี้ของเธอว่างเปล่าอย่างแน่นอนฉันเห็นที่นั่งเห็นพนักอิงเห็นทุกอย่างชัดเจน เธอไม่ได้นั่งอยู่บนเก้าอี้แน่นอนจากข้อความที่คัดลอกออกมาให้ดูนี้แสดงให้เห็นว่าคนเราอาจจะหายตัวได้และมีข้อที่น่าสังเกตก็คือก่อนที่อาเธอร์จะมองไม่เห็นเอสเทโลเบิร์ตนั้นได้มีแสงมาปกคลุมร่างของเอสเทโลเบิร์ตก่อนเรื่องนี้ข้าพเจ้าก็ได้เรียนถามท่านว่าเป็นเพราะอะไร ตัวเอสเทลโลบิรอาเธอร์จึงมองไม่เห็นท่านได้อธิบายว่าแสงที่เห็นนั้นเป็นแสงที่เกิดมาจากโอปปาติกะซึ่งแสงนี้อาเธอร์ Arthur ไม่เห็นเพราะตาไม่เป็นสื่อเอสเทลเห็นคนเดียวซึ่งจะออกมาจากท่านเมฆแดงหรือออกมาจากองค์ไหนท่านไม่ทราบโอปปาติกะองค์ที่ตอบปัญหาข้อนี้ไม่ใช่ตัวท่านเมฆแดง และขณะที่เขียนตอนนี้ท่านเมฆแดงก็ยังไม่ได้มาท่านบอกว่าองค์ที่ตอบปัญหาข้อนี้ไม่ใช่ตัวท่านเมฆแดงแสงที่ออกมาจากโอกปปาติกานั้นสามารถที่จะลบสายตาของมนุษย์ได้เช่นอย่างในสมัยโบราณซึ่งมีอยู่ทั่ ว, วไปเชื่อกันว่าผีสามารถพาคนไปซ่อนมิให้คนเห็นได้ ซึ่งการซ่อนที่ว่านี้มีอยู่2แบบแบบหนึ่งคือการสะกดจิตไม่ให้เห็นและอีกแบบหนึ่งคือการปล่อยแสงออกมาลบสายตามนุษย์เรื่องของการปล่อยแสงออกมาลบสายตามนุษย์นี้หมายถึงการปล่อยแสงออกมากลบคลื่นแสงที่สะท้อนไปจากตัวมนุษย์โดยธรรมดาการที่มนุษย์เห็นอะไรต่ออะไรต่างๆนั้นเป็นเพราะแสงสะท้อนที่มาจากตัวคน หรือจากวัตถุใดๆที่เรามองเห็นนั้นมากระทบสายตาของเราแต่แสงที่สะท้อนมานั้นเป็นแสงที่เกิดจากดวงอาทิตย์หรือมาจากแสงสว่างอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นแสงไฟเป็นต้นแสงที่ว่านี้มนุษย์มองเห็นได้ก็เพราะแสงนั้นมีช่วงคลื่นที่ประสาทตาของมนุษย์จะพึงรับได้และขอให้เข้าใจไว้ด้วยว่าสิ่งต่างๆที่เรามองเห็นว่าต่างกันนั้น เป็นเพราะช่วงคลื่นไม่เหมือนกันถ้าหากเข้าใจเรื่องนี้พอสมควรก็จะเข้าใจได้ดีว่าแสงที่ออกมาจากโอปปปาติกะที่เขาตั้งใจจะปิดบางใครหรือปิดบางสิ่งใดเขายอมจะทำได้แต่ก็ขอให้เข้าใจว่าเรื่องนี้ไม่ง่ายนักแม้โอปปาติกะองค์ที่เคยทำได้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำได้ทุกครั้ง อันหนึ่งในหนังสือการติดต่อวิญญาณหน้า35เอสเทลโรเบิร์สก็ได้บอกไว้ว่าหลายปีต่อมาได้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่เป็นไปในลักษณะตรงกันข้ามคือมีช่างถ่ายรูปคนหนึ่งต้องการจะถ่ายรูปดิฉันช่างถ่ายรูปผู้นั้นเห็นดิฉันนั่งอยู่บนเก้าอี้อย่างชัดเจนแต่เมื่อนาฟิล์มไปล้างก็ปรากฏว่าติดแต่ภาพเก้าอี้อยู่เท่านั้น ส่วนร่างกายคอนดิชันหายไปได้อย่างประหลาดการที่อาเธอไม่เห็นเอสเทลโรเบิร์ตซึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้เห็นแต่เก้าอี้และเห็นได้ชัดเจนจนกระทั่งนับรูปรุปที่เก้าอี้ได้ถูกต้องก็ดีการที่ช่างถ่ายรูปถ่ายติดแต่เก้าอี้ส่วนตัวเอสเทลโรเบิร์ตไม่ติดอยู่ในฟิล์มก็ดีทั้งสองอย่างนี้เกิดจากสาเหตุอันเดียวกันคือในขณะนั้น มีแสงออกมาจากโอปปาติกะมาทำลายหรือมากลอบคลื่นแสงที่สะท้อนมาจากตัวเอสเทลโรเบสขอให้สังเกตว่าแสงที่ว่านี้ตัวอาเธอร์เองมองไม่เห็นแต่เอสเทลโรเบสเห็นปัญหามีอยู่ว่าทำไมแสงจึงไม่ปกคลุมไปถึงเก้าอี้อันนี้ท่านอธิบายให้ฟังว่าแสงที่เกิดจากจิตใจนั้นวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดรูป ซึ่งหมายถึงเป็นปัจจัยให้เกิดแสงด้วยหลักอันนี้พยายามนึกบ่อยๆไม่เหมือนกับแสงที่ออกมาจากตะเกียงหรือจากดวงอาทิตย์กล่าวคือแสงธรรมดาเช่นแสงอาทิตย์นั้นเมื่อออกมาจากแหล่งของมันแล้วมันก็จะกระจายไปทั่วสุดแล้วแต่จะมีที่ว่างอยู่ที่ไหนหรือทิศทางที่มันจะแพ่ออกไปมีอยู่อย่างไรมันก็จะกระจายไปทั่ว ส่วนแสงที่ออกมาจากจิตใจมันเหมือนกับแสงไฟฉายคือเราต้องการจะให้พุ่งไปทางไหนให้มีขอบเขตอยู่เท่าไหร่สามารถบังคับได้นี่คือข้อที่แตกต่างกันระหว่างแสงธรรมดากับแสงที่ออกมาจากจิตใจอันหนึ่งตอนที่ช่างถ่ายรูปถ่ายเอสเทโลเบิร์ตนั้นในหนังสือไม่ได้บอกไว้ชัดว่า ในขณะที่ช่างกำลังถ่ายไห้เห็นตัวของเอสเทโรเบิร์สหรือไม่แต่เข้าใจว่าต้องมองเห็นเพราะถ้าไม่เห็นก็จะต้องเออะไม่ยอมถ่ายอันนี้ก็เป็นปัญหาว่าโอปปปาติกะองค์ที่ตั้งใจจะทำให้เกิดปาฏิหาริย์ในลนนักษณะนี้ปล่อยแสงออกมาในตอนไหนคงไม่ใช่ในตอนที่กำลังถ่ายแน่นอนซึ่งเรื่องนี้ข้าพเจ้าก็สงสัยจึงได้เรียนถามท่านและท่านก็ได้ตอบว่า ก่อนอื่นขอให้นึกถึงการถ่ายรูปในบางกรณีซึ่งคนถ่ายก็เห็นภาพที่ต้องการจะถ่ายชัดเจนแต่แล้วเพราะเหตุที่อาจจะเป็นเพราะแสงมากเกินไปหรือเกี่ยวกับการเปิดหน้ากล้องไม่ได้ขนาดหรือไม่ถูกจังหวะที่กล้องชนิดนั้นจะถ่ายภาพเอาไว้ได้จึงทำให้มีผลคือภาพที่ต้องการจะถ่ายไม่ติดตัวอย่างชนิดนี้มักจะมีอยู่เสมอกับคนที่ยังถ่ายรูปไม่เป็นใช้กล้องไม่เป็นท่านบอกว่า ต้องเข้าใจเรื่องกฎเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องแสงและกฎเกณฑ์ของการถ่ายรูปให้ดีก่อนยิงกล้องที่ประณีตราคาแพงถ้าคนถ่ายใช้กล้องไม่เป็นก็มักจะไม่ได้ภาพตามที่ต้องการในทำนองเดียวกันผู้ที่ถ่ายภาพเอสเทลโลเบสแน่นอนในขณะที่ถ่ายต้องได้เห็นภาพอย่างชัดเจนแต่ในกรณีที่มีแสงบางอย่างซึ่งมาจากโอปปาติกะมาทำให้ภาพไม่ติดในฟิล์มนั้น ช่างถ่ายภาพมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นจึงไม่รู้ว่าการถ่ายคราวนี้ภาพจะไม่ติดอยู่ในฟิล์มเขาแน่ใจแต่เพียงว่าเขาได้ทําถูกต้องแล้วในการถ่ายภาพก็ควรจะติดทุกครั้งเหมือนอย่างที่เคยถ่ายมาในที่นี้คือการถ่ายภาพด้วยระบบเก่าซึ่งจะมีความแตกต่างกับกล้องดิจิตอลหรือถ่ายจากโทรศัพท์อย่างในปัจจุบันนะครับ หนึ่งท่านย้ำไม่นึกถึงว่าแสงที่ออกมาจากจิตใจนั้นเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ที่จะให้มีปรากฏการหรือมีผลตามความตั้งใจเรื่องนี้อย่าคิดแต่ในแง่วัตถุเพราะกฎเกณฑ์บางอย่างไม่เหมือนกันแต่อย่างไรก็ดีในเรื่องนี้ยังมีคอบเหล็กย่ออีกมากมายซึ่งยากแก่การที่จะทำความเข้าใจโดยปกติแล้วปรากฏการอันเนื่องจากอำ น, นาจจิตนั้น จะไม่มีการอธิบายทางทฤษฎีมักจะพูดถึงผลกันเลยทีเดียวว่าสำหรับคนที่มีอำนาจจิตได้มาตรฐานนั้นเมื่อต้องการผลอย่างใดก็อธิษฐานที่จะให้เกิดผลอย่างนั้นและผลก็จะเกิดขึ้นตามที่ต้องการส่วนในกรณีที่ว่าทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นเป็นเรื่องอธิบายที่ยากมากและเท่าที่บอกมานี้ก็เป็นเพียงหลักบางประการ ซึ่งเห็นว่าพอจะทำให้เข้าใจกันได้จึงได้อธิบายออกมาในรูปนี้